สิขาบทวิพังหนึ่งพันแคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้คำว่าตลอดสองปีคือสิ้นสองปีที่ชื่อว่าผู้ยังไม่ได้ศึกษา สิบขาคือภิกษุณีสงฆ์ยังไม่ได้ให้สิบขาหรือให้แล้วแต่เธอทําขาดคําว่าบวชให้คืออุปสมบทให้ภิกษุณีตั้งใจว่าจะบวชให้แล้วแสวงหาคณะอาจารย์บาทหรือชีวรหรือสมมุติสีมาต้องอบัตรทุ ก, กฎจบยติต้องอบัตรทุ ก, กฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตรทุกกฎสองตัวจบกรรมวาจาครั้งสุดท้าย พิษณุนีผู้เป็นอุปชาต้องอบัดปาจคิตตีคณะและอาจารย์ต้องอบัตตุกฎ